วันนี้เป็นวันมาเป็นนโมมีเป็นวันมหามงคลเกี่ยวกับเรื่องพระพุทศาสนาวันมาะวิสาขะเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาคุณผู้ศึกษาตามตลอดตั้งลาไปจะทราบว่าเป็นวันสาคัญอย่างไรจะพูดโคยอ่านตําหรับท้งลา เจาว่าเป็นปันสาคัญคือวันนี้พระพุทธเจ้าต่รู้แตแนะนํามอนยึกสุสาวกเลื่อมใสเตใจปัติปฏิบัติธรรมตามพพุทธเจ้าโดยต่รู้็นพระอรหัตอรหันกัน หากนาแต่วันนี้คือวันมาทัพเป็นแม่มีทัพยิสุเหล่านั้นต่างขั้นต่างองค์โตออกไปอยู่ในที่ต่างๆกันเพื่ประกาศศาสนาหรือเพื่อสบายคือความสบายทังท่งานแต่เอวั้นไม่ทาบว่าอะไรเดนบรรดาลใจของยิสุรอรหารเหล่านั้น เคยมาประชุมกันในเวรวันรกรันทะกะรีลาปาสถานคือในเมืองราชาคฤห์เป็นรัฐแรกที่เกิดขึ้นในพุทธศาสานาเวรวันเดมต้นก็เป็นสว น, นไม้ไผ่ของพระเจ้าพินพิสารพอระพุทธเจ้าสเสด็จมาตะกรุงราชาคฤห์ มีขี่พักพาใสพระเจ้าพินพิสารโ ก, กมกเสนนใ้ไผ่อุทยานใ้ไผ่ถวายให้เป็นดั๊กพระพุทธโองกันนะพักผ่อนไช้เรียบที่นั้นโบสถัทวพระโอ๋นวันนี้พระเจ้ า, จาพระสงฆ์สุ่งเป็นสาวกหนึ่งพันสอง้ยห้าสิบองค์เดินย่ไทยไปนิมนต์เฉืียวเชิญพากัน มาสูดตเวรีนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่พระองค์ก็เลยทรงทำยุสุที่อุโบสถทำอยู่โบสถึงต้นจนวันนี้จากนั้นที่จะทำยุสุที่อุโสถอีกโดยมีในศาสนานี้ เจที่ล่าเป็นวิสุทธิอุโยถคืออุโยศของสุบริุทไม่มีภาเสขาบุคคลเยือเปนมีแต่ระอาหารุ่นล้หนึ่งพาาันสองร้อยห้าสิบองค์และบวดเอหิภิกขุคือพระพุทธเจ้าบวดเองดานั้นนีพระอนาคาสิกาคาหรือเตือนมาหรือเจืชนเยื่อเปิในอุโยิของท่านเือ ทำอุโยสถื่อแสดงปาจิโมะแก่ยึกสูสงแล้วโคเซมันดัดว่าต่อห น, นี้ไปภายในหนึ่งเดือนจะต้องทำกันหามีพระอยูด่ด้วยกัน5้าองค์ก็จะต้อง4ี่องค์ขึ้นไปให้เร็วอุโยสถื่อสวดพระปาจิโมะผ่า้ามองค์สดดวยสดยติ ขององค์บอกวลีสดองเดียวอธิษฐานมิจึงพรวินัยสงฆ์พระที่ทเคยบวชในศาสนาอาจจ ะ, ะทราบหากยึดสู่ อ, องค์ใบสาสูนไม่ทำอุเบกศตีบตามทีบัญญัติเอาไว้พระพุทธองค์กบโทษคือตอบอาบาอัิแก่ยึดสู่เหล่านั้นเรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องสาคัญ าเป็นเรื่องของผูกสูงเรื่องสาคัญผู้พระพุทเ้าเองเป็นสดงคือโอาปโกในวันนี้ยอดทำคำสต่งสองพระพุทธเจ้าทั้งหมดสรุเรียบเรืยนในงไงสั้นๆเหตรู้จักศึกษาการคำสอนถึงจะมากได้ขนาดไหน ก็เหมือนกันกันกบน้ำทะเลมีรถเช็นอย่างเดียวทั้งหมดจะอยู่คิดใดทางใดน้ำทะเลจะตรงนี้รถเช็นคำสอนของพระเจ้าเจ้าที่เรื่องรับดับขันไปแล้วในอดีตหรือคำสอนของพระเจ้าเจ้าองค์ปัจจุบันคือพวกเราท่านนับถือกันอยู่หรืออนาคตจะมาตัดสู้อีกก็เป็นทำงานเดียวกัน คำสอนของท่านสุรู้เหล่านั้นไม่เดือดอนไปอื่นใจสอนตายสอนใจของพวกเราสอนในละชั่วบำเพ็ญดีทานจิตของตนในฟองใสสื่อตามภาษาบาลีแปลออกมาเป็นไทยมีเพียงแงค่นี้คำสอนจะมากมาลหลายหลวงขนาดไหน ก็ย่นลงมาในสามข้อนี้เกิดสมัยคำสอนจึงเจะจงในเหตละเชื่อบปนเพมดีเพราะเชื่อเป็นตัวเหตเป็นไรสสำคัญเหมือนกันกับโรคเนี่ยมีอยู่ในบุคคลคนใดโรคนั้นเรามารักษาม่หาอะไรมาเยียยากว่าจะเป็นภัยอันตรายต่อ ร่างกายส่วนใหญ่ถ้าปล่อยเอาไว้ถ้าหากเราสำละโรกภัยเหล่านั้นหายไปร่างกายของพวกเราท่านก็สะดวกสบายจะยืนจะเดินจะห้นไปที่ไหนจะนัง่งจะนอนก็สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างไปพะโรคภยัยภายในกายเหตียดหายไปฉันใดความชั่วคือี่เลส ที่พระพุทธเจ้าบงบอกให้พวกเราถ่วไปพากันรักษาพากันชำละกายลายใจยใจทั้งตนความเชื่อนั้นถ้ามีอยู่ในบุคคลใดก็เป็นประียดอย่ังไรทำจิตทำใจให้ว่ายุ่งคุณเมอต่างๆนอกจากนั้นก็ทำสังคมให้เดือดร้อนวุ่นวายไปตามความเชื่อเป็นพิษเป็นภัยที่สำคัญอย่างนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงแนนสอนพวกเราใหา้ชำระสาสางความชั่วที่จะเกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากกายจากวาจาจา ก, าจา ก, าจากใจของบุคคลแต่บุคคลคนนั้นเขาเองก็ไม่ชอบเรื่องความชั่วแต่เขาก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาในที่นี้ที่จะมาทําไปโยกความ เน ร, รู้หรือทำไปเดี๋ยวามรู้ท่าหมดถึงการความเชื่อนั้นยิ่งแพอ่กรจายมาโดยเต็มใหญ่มนุษยทั่วไปจะมีความชั่วประจํากายบายใจใจขั้งตัวเรื่อยมาไม่อย่างนั้ น, น, น, ถ, น, จจ น, น, นถ้าสม็นผู้ใหญสุดด้านจิตใจจริงจังพวกเรานั้นก็ ม, มีดันที่จะมา เรียนตายตายเกิดอีกอย่างพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้ า, าพระปเจกะพุทธเจ้าพวกเหล่านั้นท่านหมดคันชั่วคําสอนที่จะเป็นประโยชน์ให้กว่ามือนนกันกับยาที่เป็นประโยชน์กว่าสำหรับคนที่เป็นโรคไข้ไข้หนาวเท่านั้นถ้าหาคนไม่มีโรคไข้อะไรยาก็ไม่เป็นเรื่องสำคัญที่จะหามาไว้ คำสอของพระพุทธเจ้าท่านก็เหมือนกันเรื่องเราท่านยังมีกิเลสปัญหามานะทุพย์ยังมีชั่วติดตัวของตัวอยู่จึงสาคัญที่สุดที่จะตรวจตาพี่จะมาดูความชั่วในตัวของเราสิ่งใดที่ชั่วที่เสียอย่าไปส่หนวดรักษาาไว้มันเป็นภยยัยแก่ตัวเองและคนอื่นความชั่ว ในว่ามนุษย์เรืสัตว์เขาก็ในฟองการปรารถนาหากเราในที่เจอมาสาสูนทำลงไปใจของเราเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความเชั่วที่ตัวทำลงไปแผลเขากายใจพ้องตนคนทำเชื่อโดยส่นใดในทีนีตที่แจงนาว่าสิ่ง น, นั้นมันจะเชื่อจะเคียะจะนำผล เดือดร้อนยุ่วายไม่ให้แก่ตัวจึงยินดีทำความชั่วเพราะเขาไ่รู้ผลของมันอาจจะเป็นพิษเป็นไยัยแก่กายแก่ใจของตอนถ้าเขาทราบเรื่องความชั่วจริงจังแล้วเขาไน่ยไปแตะต้องเหมือ น, นกันกับคนทราอบบอ่กไฟมันร้อนมันมีใครี่จะไปเหยียบ ไ, ได้จับควาเหตดใดเพราะถ้าไปเหยียบไปจับเขา้ามันจะต้องไม่ต้องเผา เดือดร้อนเดือดร้อนเป็นทุกข์ชั้นใดมนุษย์ทั่วไปถึงทำชั่วเดือดกายตัวดีดาวดดา ย, ววยใจตัวดีเดือดใจตัวดีก็เพราะใน่ทราบผลของความชั่วจะแผดเผาตัวถ้าหาทราบเนื่องความชั่วแบบจนเป็นผลเดือดร้อนวุ่นวายให้เสียาจเสียใจทั้งตนคนนั้นก็ไม่กล้าที่จะทําความชั่วต่อไปความชั่ว คือความไม่ดีความเชื่อคือความทุจริตคนเราที่มีกิเลสหนาปัญญายากไม่้าแมากที่จะทิ้ที่จะารียนมาไขเคลื่อนขี่ถ่วงเจ้าก่อนทอําไปด้วยความโลภ ค, ความโกรธความหลงเมื่อทําทไปแล้วโทษไทยที่ตัวทาไปซึงแผลเขาตายใจของตัวเอง ในใจคนอื่นเอามาให้เปนเรื่องตัวของตัวทําให้ตัวเองเช่นคนรักคนขโมยยี่ป่นต่างๆในใช่ว่าความเชื่อเรื่องนั้นคนอื่นจะไปรับแทนเขาได้เป็นตัวของเขาเองจะต้องได้รับผลที่เขาปับเป็นงคุ้มขัง ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะดจับคุมคุมขังคนดีๆอย่างพวกเรามีความบาริสุทธิ์เป็นคนที่ไม่ผิดกฎหมายดันเมืองอะไรจะเข้าไปแต่ละทางแตละเหตุต้องขออนุญาตผ่านประตูจะเข้าไปเยี่ยมทุกเยี่ยมตารางเขาจะไปให้ไปอย่างสะดวกสบายเราเขาปัดกันเอาไว้แต่คนที่มีชั่วที่ตัวทำไม้ ไม่อย่างนั้นประตูนรกประตูตารางเปิดอ่ารับอยู่สมันเสมอไปเพราะความชื่อของเขาที่ทําไว้สามารถที่จะให้เจ้าอาชี่จัดปุงคุมตัวไปถึงเขาไม่เชื่ออย่นง้รตารางนั้นมันมีความทุกข์ออยากลหมากอย่างไรเพราะไม่เคยไปเห็นไปจิตไปเกี่ยวข้อง แต่เนี่ยเขาทำชั่วอยงใจเขาก็มีโอกาสมีเวลาในวันในกับวันหนึ่งจะต้องเห็นการทุกข์ยากลาบากในการหลับการงานการอยู่การจินทกุกอย่างมันลำบากในมีอิสระในสะดวกสบายเหมือ น, นคนที่ไม่มีโทษมีไทยจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนมีอิสระ ไม่มีใครมาบางังคับบังชาอยากกินอะไรอยากเที่ยวที่ไหนไปได้นี่คือคนไม่มีโทษไม่มีภยัยไม่มีความชั่วในตัวของตัวยอมไปได้เป็นหยกสบายแต่คนที่ทำชั่วไม่อยากรับโทษของชั่วเป็นไปไม่ได้ชั่วตีเตัวทำไว้จะ ต, ต้อง นําตัววพวกเตียวเองไปพระเจ้าหน้าที่ที่จะมาจับมาซึมก็เพราะเราทำเชื่อทำเสียทำสิ่งผิดกฎหมายทำสิ่งผิดชาวโลกทั่วไปในยืนดีพเจ้าหน้าที่จึงจับจึงคุม ข, ขังเข้าไปมีความเชื่อให้ผลให้ไปจุบดังทาตาเราก็พอมองเห็นคนผิดทำเชื่อต่าง ไม่ร th ับทุกแต่รับความเดือดร้อนหาเชือจะนอนหานอนจะนิ่งหาบ้านจะอยู่จะอาศัยไม่ได้จะต้องไปรวมกันอยู่ในพวกเชือเดียกันคนเชือเหล่านี้ถึงไม่ปราถนาอยากจะอยู่ถ้าโทษเขายังมีอยู่เขาก็ยังไม่ป่อยตัวจะต้องเสวยความเชือเลื่อยไปเป็นผลโทษเหนือใด จึมาเป็น อ, อิสระมีความชั่วในปัจจุบันทําตาเราเห็นกันความเชื่อในอนาคตกรร็ทํางนั้นเดียวกันถ้าพุทธเจ้าถ้ามีปัญญาตายามสาแมา่ทราบเรื่องของกรรมที่มนุษย์หรือสัตว์ถั่วไปทํามีเชื่ออย่างไรจะให้เห็นอย่างไรพระพุทธเองทราบซัดในดอดเมื่นถึพวกเราจึ่งทำไปแล้ว ไม่ได้คิดคำนึงคำนวณพอเขา้ามาจับตัวเขา้าตัว่าเราเลยทำชั่วทำเสียอะไรด้วยส่วใดเข้าตัวมนุษย์ทั่วไปไม่ว่าเอใครที่มีิเกล็ดเป็นอย่างนั้นถึงเขาจะจับได้คาเขาคาไหนมีหลักฐานมั่นคงจนผูกมัดเข้าตารางจะถามดูทำไมคุณพงศ์มจิตกลางอย่างนี้เขาหาว่าอย่างนั้นเขาหาว่าอย่างนี้ไค่ ท, ท, ที่ตัวทํา ก็ม่ยอมรับสิ่งที่เตียทํว่าเตี๋ยทอย่างนั้นจึงเลยมารับโทษทุกอย่างนี้มันไม่ใครยอมรับให้ใจของมนุษอยู่ทุชนมันเป็นแบบนั้นโดยทั่วไปถึงไปโดนหลักโดนตอเห ย, ยียบเยเหยียบน้ำเท่าก็ไปโทษหลักโทษตอในโทษตัวเองว่านึ่งีนี้พิจารมานึ่งดีเลยเวลาจ้ะ หยกตัวอย่างไปที่ไหนขาดปจติในตั้งวรักษากายเคร่งตัวจิตตัวโดนอย่างนั้อย่างนี้ไม่เคยเลยมีใครที่จะมาโทษตัวเคร่งตัวนี่จะโทษเรื่องอื่นเลยไปความเชื่อแบบนี้แหละที่มันจะจังตายไปจังใจของพวกเรามาไม่ละไม่เล่นไม่พิ้ิตรจะได้มาให่เห็นว่ามันเป็นเวรเป็นภัยนั่นนำความเสียหายอย่างไรนะฮะ แต่คำคำต่างสองของผู้ใจจางนั้นสอนเขามาภายในเป็นโอปณยิตธรรมคือน้อมเข้ามาพิจารมาภายในใครก็ตามถาพิจารณาตัวเองเทียบกับคนอื่นจะไปด่าเขาไปตีเขาไปขโวยเขาจะทาความชื่อเสียหายต่างๆหากเขามาทำกับเราอย่างนั้นเราเต็มใจดีใจหรือไม่ หากเทียบจิตเขาใจเขาใจกับ <truths> จ <the Nun |af|> ิตเราใจเราเป็นสามารถที่จะไปทํากับเขาได้เพราะเหตุใดเขาเองรักชีวิตของเขารักร่างกายของเขารักสมบัติของเขาเหมือนกันกับเราแต่เหมือนรักษาของของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นเราฝ่าเพื่นเหืียนไปทําเข้าเขาก็จะเสียใจจะเป็นใครเป็นเดื่อ เขาเห็นเข้าเขาอาจจะถูกอาฆาตพยาบาทอาจจะฆ่าจะตีหรือจับตึงตึงขังตัวของเราพเราก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันก็จิตไปอันเดียวกันเหมือนกันถ้าเราคิดได้อย่างนั้นการทํำชั่วเพื่อชั่วมันก็ละงับบับไปมีคนทั่วไปไม่ได้คิดจะมาถึงตายถ้งใจทถ้ง การจะทํำของเตียวอย่างนั้นเข้าเตียวจำมันเนส้อไปเกินขี้เสียดายได้ง่ายเลยเยียกําลั ง, งมากมายเดินทางลัดคิดไปทางนั้นไม่เข้าใจว่าการที่เตียวทำไปจะเหตุผลเหนอะไรเพราะสิ่งทั่วไปในโลกมันจะป้องปกปิดไม่ได้ถ้าจไปจ่ายถึงแบบความลับใน่มีในโลก ถึงคนอื่นเห็นเคร่เองกว่าเห็นที่ไปทำเขาได้มาเป็นสหบัติของเราถ้าหากเป็นเครื่องประดับภายนอกก็ไม่สามารถที่จะนำออกอืดอแฉกได้ถ้าพามันเข้าไปกะละอายเลยเตี้ยก็จะจันได้จับตัวถ้าเปนอาหารการกินก็กินในที่มืด คนชั่วที่ทําชั่วชอบในที่เลืดที่สว่างสวัยอย่างเช่นเราท่านนี่ไม่เอาตันเพราะคนจะเห็นจะกล้าทําหรือถึงกล้าทําเขาก็เกลียวอยู่เพราะมันสว่างเขาจะจําหน้าได้มีคนชั่วทั่วไปเป็นอย่างนั้น ความชั่อเกิดขึ้นจากตายจากใจของเราทุกอย่างเราต้องสลาสายเกิดขึ้นจากความโลภต้นเหตุของความชั่วอยากได้ของเขาโดยเหนี่ยคำนึงคำนวณว่าจะเอาแบบไหนจะทำอย่างไรจึงจะได้ของเขามาในด้คิดแต่ซื้อจะหาจะรับจ้างแลกเปลี่ยน น, นี่ต่อยากหน่ายอยากเสียดีกสบายแต่ักเอาขโมยเอาขี้เสนเอานี่คือความชั่วของใจคนทั่วไปม่าอยากจะมีแต่ที่มันมีหน้าห้ามตั้นตัวเองไม่ได้ก็เลยทําไปตามความอยากที่ผักดันภายในเมื่อทําไปก็เลยรับทุกข์เพราะว่าใจจึงให้กาลัสาสางให้ิดอ่านเต้นจิตเขาจิตเรา จะทำชั่วอะไรถ้าคิดได้ห้ามได้นันก็ระงับได้ไม่ปล้าที่จะทำชั่วเสียต่างๆแต่เราไม่ทำทำชั่วก็ไม่เหตุผลม่ว่าไปจิตบันหรืออมาคตข้างหน้าเพราะเราไม่เคยทำเอาไว้มันจะให้ผลแกเรายอย่างไรเหมือนคนที่ไม่เลยทำไรทำสวนแต่ยาจะเหผล ในไรในเสื่อมท้องตน ม, มันก็ไม่ได้ผลอะไรสิงที่มันเกิดขึ้นให้ไม่ใช่สที่เป็นสาระประโยชน์ขอนของที่ฮะคุณค่าราคานี้ได้นี่เพือมันเกิดขึ้นเองเราไม่ได้ปลูกเอาไว้มีได้สร้างเอาไว้ถ้าเราสร้างเอาไว้เราต้องการทัวรการงานต้องการอะไรเกิดพันธินั้นนะไปปูกไปหว่าน เพื่อพันอันนั้นแหละจะเกิดขึ้นให้เห็นใจปาถนาแล้วก็ไม่มีใครที่จะถีอว่าการทีทท่เราจีบลงไปสร้างลงไปจะไม่เป็นสมบัติของตัวใครสร้างลงไปทำลงไปจะถือว่าเป็นสมบัติของตัวไร้สวนที่ยืนที่เราไปจูกสร้างเขาไม่จะถือว่าเป็นของของเขาเราไปเอามาได้สะดวกสบาย มีการทำความดีทางกายทางใจก็ททำนองเดียวกันพยายามแต่ทำบำเพ็ญให้เกิดให้ตนให้เห็นให้รู้และเชื่อถือตัวมีอยู่ประกอบคุณงามความดีให้มีขึ้นเราจะดีจะวิเศษก็เพราะอาศัยเราสร้างเอาทำเอาพระพุทธเจ้าหรือสาวกใ่ใ่ทา เกิ ด, ดมาแล้วหมดีิเลสปัญหาหมดพิีหมดไทยในใจในใจของท่านท่านมีเหมือนกันจะ่พวกเราทั่วไปแต่อาศัยพระพุทธเาองค์ครงมีมาเนะแข็งก้ากิใดที่ต้นชั่วเสียต่างๆพระองค์ที่นี้ที่เจะะรนะิาเพื่อจะละ จะห้ามกั้นจิตใจไม่ให้ไปเกี่ยวข้องสังคมกับสิ่งนั้นยกตัวอย่างศีนส ม, มาธิปัญญาเป็นหลักศึกษาเป็นหลักศาสนาสิ่งเหล่านี้ไม่จะมีอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่กายที่ใจทั้งเราอาศัยเจตนาทําขึ้นศีนทุกข้อ ก่อาศัยเจตนาที la, ai, de ่ใจนะเห็นควรรักเห็นควรฆ่าเราไม่รักไม่ฆ่าเรารักษาจิตใจของเรากายของเราเห็นว่บเขาเหล่านั้นเขาก่อสมุนชีวิตของเขาลักสมบัติของเขานี่มีเจตนารายเรื่องอย่างนั้นจึงเกิดเป็นศีลขึ้นที่จิตที่ใจ ควารเพียงความอยากได้มันมีเพราะยังมีกิเลส อ, อยู่แต่ต็คงชีกิเลสเลือเล่อยไปมีจนเรื่องของโลกทำของโลกที่จะรักษากันท่าทุกท่านรักษาเรื่องชั่วหยาบๆย บ, บอย่างนี้เอาไว้โลกทั่วไปก็จะสุขจะสบายไปสถานที่ดใดไม่มีภัยอันตรายเพราะทุกคนมีชีน ออเห็นอกเขาอกเราเสมอกันเป็นธรรมของโลกหากขาดการสมนรักษาต่างท่านต่า ง, างคนอยากได้อะไรก็ไปไปตามใจตัวชอบมีกำลังมากกวคนเห็นคนที่มีกำลังน้อยถ้าเป็นแบบนั้นโลกอันนี้กบเบี้ยปัน่นเป็นยุ่ย ยงกขี้ยกยากลำบากหานะความสุขไม่มีพระพุทธเจ้าจ่ายึงสอนเสียงเป็นเรื่องสำคัญข่าที่เจอมาถึงสมุดฐานเกียงจังศสียละเอียดยิ่งกว่าเรื่องกฎหมายพระพุทธเจ้ามีห mm ู hmm. มีตาเลียดยาวจกิงจังบรรจัดอะไรไว สองพันหาอยกว่าปีมาก็ไม่มีอะไรที่จะคืบจะล้าสมัยยังทันสมัยไม่เอียมศาสสมัยปัจจุบันถึงจะเรียนมามากฝ่ายโลกขนาดไหนมาตั้งกฎหมายขึ้นเยอะกว่าล่างกันอีกร่างกันแล้วล่างกันเล่าอยู่นั้นเพราะไม่มีปัญญาตายาเหนือนพระพุทธเจ้าแต่พร้พุทเจ้าตั้งสีนข้อไหนขึ้น หากที่นี้ที่เจอมาแล้วไม่มีที่จะตำหนกเพราะท่านมีปัญญาตาญางไกทจีมองเห็นได้ถนาดชัดเจนหากคนประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมของผู้เจ้าจ้าวจึงมีความสุขความสบายที่อยู่ในสถานที่ใดไม่เป็นภัยอันตรายแก่ตัวของตัวและคนอื่น นี่คือคําสอนของพระเจ้ า, าสอนมนุษย์เราในสอนคนอื่นให้ละเชื่อบําเพ็ญดีดีนั้นมีหลายอย่างที่เราจะประกอบจะกจะทําถ้าหากเราเล่าเล่นหางเหินไม่นาดีมาประดับกายว่ายใจใจของเราความดีก็มมีในตัวของเราเหมือนกันกับกายไม่มีอาหาร ถึงจะเป็นกายอย่ได้ก็มีกำลังเยี่ยงแรงที่จะทำการงานต่อไปได้ mm hmm. พราะกายขาดอาหารความดีกล่าวคือธรรมะของพ ร, ธธ ร, ระเจ้าประจําจนเหมือนกันที่พวกเราท่านจะนํามาที่นี่พจนาสอนใจของเราถ้าใครนําธรรมะมาสอนใจพเจนาบ่อยๆคนนั้นจะเกลี้ยเยี่ยงชั่ว บำเพ็ญเรื่องดีเทวคขึ้นเนี่มีความดีก็เย็นทั้งตัวและคนอื่นที่ไปเกี่ยวข้องความดีพระพุทธเจ้าจะให้สะสมการทาบำเพ็ญให้เกิดให้เป็นให้มีขึ้นเพราะทุกคนมีสิไในใจศาสนาสอนแต่ีิสุสามมณีเท่านั้นศาสนา เป็นของกลางหากใครมีปัญญาสามารถประพฤติปฏิบัติตามธรรมะาศาสนาของพระพุทธเจ้าคนนั้นจะมีความสุขความสบายความเยกเยินายในเพราะธรรมะเป็นเครื่องสมระกษิ่เลือดร้อหาสมระชั่วเลืวความดีที่เราทาไปโดยกายวายจาใจใจ ก็ไม่มีใครที่จะมาแย่งชิงดินลาวไปได้เหมือนสมบัติภายนอกถ้าหากผู้ที่จะมาจีงจังผู้ที่จะออกจากโลกจนนี้จากโลกแ <c oughs> ท, ที่ิยนาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนถึงจุดความพียงของมันมันจะละได้เรื่องโลภเรื่องโกรธเรือ่องหลงต่างๆ เพราะความจริงมันมีความจริงไปหนบ้าไคนจริงที่พิจารณาจริงแะ่พฤตปฏิบัติจริงคนนั้นจะประสบพบเห็นละถอนจริ ง, งติดข้องต่างๆให้หายถาดไปจากจิตจากใจของตนความโลภอยากได้ของเขาจนเกินขอบเขตมันผิดอกผิดใจของคนอื่น ความโลกที่เราได้มาสมนรักษาว่าเป็นสมบัติของเรามันเป็นของหนัอือรังยัง่งยืนเราไมา่จากมันมันก็จากจากเราความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีใครที่จะหอบหา ม, มใใหอเอาไปได้สมบัติของโลกเป็นสมบัติของโลกอยู่อย่างนั้นตลอดมาหากว่าทุกคน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งของต่างๆตามกฎหมายเมื่อเขาตายไปหอบที้สิ่งเหล่านั้นไปสร่งเราจะมีที่อยู่ที่อาศัยเพราะคนที่ตายไปก่อนเราเกิดนับจำเนียมในด่าที่เขามาสำคัญนัาหมายและเป็นของของเขาดินของเขานาของเขาสวนของเขา